ยิ่งเนื้อหลักธรรมพระพุทธองค์ทรงย้ำซ้ำออกมาชักนำย้พรำสอนยืนยัด แห่งชัดไว้ไม่มีขาดเรือนหาได้ใครเหมือนไม่บิดเบือนตลอดวันเดือนปีใดโนกจะเวียนเปลี่ยนไปเสื่อมจเจริญเช่นไรหลักทำไมได้เอง แ ต, แตกดับอับบางไม่จรรังยังยืนแห่เทียงแต่ว่ดจิตของเราไม่ตายร่อนเร่ไปสุดเวียงหากไม่มีสเบียงได้ผลบุญคอยเลี้ยงควพบได้เพียงอบายภู่ิคนบาปบุญทั้งน้อง ย่อมขยายปกคลุมบาปบุญเราจะเขา้ารุงมบาปเป็นไฟคอยสุ ย่อมขยายปกคลุมบาปบุญเราจะเข้าร่วมบาปเป็นไปคอยสุมส่วนุนนั้นอุ้มชูใจเอกน้มกินยังกองหนึ่งไม่มีสองตรัสว่า